ดรสุกิจนิติไนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงดาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับนายอนุกุลเรือนแก้วนายอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้วัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนตลอดจนนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการในชุมชนให้เกิดการสร้างสารรค์งานบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปทิติรัสแสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน กนออเปิดตัวห้องสมุดด e e ิจิทัลพร้อมแอปพลิเคชัน IEAT eLibrary เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการลงทุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งข้อมูลจากกนออและสำนักพิมพ์ชั้นนำนางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออเปิดเผยว่าด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรไปสู่ IEAT 4.0 กนออได้พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาทินักลงทุนไทยและต่างประเทศประชาชนผู้สนใจทั่วไปรวมถึงพนักงานกนออโดยสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ 1. ห้องสมุด IEAT eLibrary บริเวณชั้น1ก่อกนออสำนักงานใหญ่หรือ 2. แอปพลิเคชัน IEAT eLibrary ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานบริการทุกท่านสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้วยการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองวัฒนธรรมอาหารศิลปะและการท่องเที่ยวสาหรับแอปพลิเคชัน ieat e library ให้บริการความรู้ได้แก่ข้อมูลกรนออรายงานประจำปีบรสาษรกรนอออีโคชาเลนส์รวมถึงหนังสืออ e ีบ e ุ๊กอีมักกซีนจากสำนักพิมพ์ชั้นนำซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน App Store ของระบบ iOS และ Play Store ของระบบ Android รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมองหน้ากับทีมข่าววิทยุราชอมองคลธัญบุรีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี